อืมเราถือว่าอันนี้เป็นโอกาสที่เราสร้างเราทําเอาเพื่อประโยชน์ของเราเองงานการในโลกไม่หมดหรอกทำเท่าไรมันก็ไม่หมดเออแต่งานการปิจัยนี่เนี่ยงานการเพื่อชีวิตเนี่ยมันทํำไม่จบมันทําไม่หมดหรอกทําเพื่อเลี้ยงชีวิตแต่จิตใจนี่สินี่สินทําเป็นเรื่องขอ ง, ของขจิตใจ แม้แต่การให้ทานนี่กับเป็นเรื่องของชีวิตอชีวิตยังต้องอาศัยจิตใจจิตใจยังต้องอาศัยชีวิตยังมีความเกี่ยวข้องอยู่อันนี้สงสัถึงกันอืมไปเหตุปัจจัยเพื่อกายแต่มันก็ถึงใจเหตุปัจจัยเพื่อใจแต่มันก็ถึงกายมันเกี่ยวข้องกันอยู่อพวกเราน้าประบุญหลายไม่ต้องไปที่ไหนมากจัดเป็นศูนย์รวมตรงนี้ คนมารวมมากมายยิ่งกว่าสลาถ้าเต่าเราตัวสลาถ้าเต่าเราเชา้ า, 10, ชาละสิบเช้ า, 5, ชาละห้าเช้าละสิบมันไม่ได้เยอะขนาดนี้วันพระก็เยอะหน่อยวันเทศกาลก็เยอะหน่อยนี่ตรงนี้พวกเราเห็นมีเป็นที่นู่นเป็นห้องสมุดเป็นที่อบรมเป็นที่นางฟังเทศรูปบปอาจารย์บรรยากาศเป็นสังวัดดีดีนี่เอ ง, ต, งตัวจะเป็นสื่อเป็นสื่อะ ที่จะทําให้เราเนี่ยมีใจอ่อนน้อมมาเกิดความโน้มเอียงมาเพื่อความสุขเพื่อความเจริญลืมนะโอกาสเหล่านี้เราต้องแสวงหาเอาเองนะไม่ใช่จะเกิดเองมีเองดอกบางทีต้องบังคับก็ยังนับว่าดีเราดูตัวอย่างอนาถาบินทึกาเธธสียบทีอ่ะฉันจ้างลูกไปวัดนะนในการลูกอนาถาบินทึกาเสียนบะีเน่ะเด็กยังไม่รู้อะไรพ่ออยากให้ไปวัด พ่อไปวัดกลับมาพ่อลูกไปวัดกลับมาพ่อจะให้ครั้งละร้อยกระหระนะับปณะในการก็ไปแล้วไปถึงวัดไปเล่ น, ไป น, นไปนู่นไปนี้ไปอะไรตอนข้ามากราบ <c oughs> รับรอยกระหประนะัปณะวิ่งเจ้นไปรับก่อนแล้วไ ป, ปวา่าไว่านะทลาดต่อไปนี้ให้ลูกไปตั้งใจฟังเทศพระพุทธองค์ท่านเทศเรื่องอะไรแสดงทำเรื่องอะไรให้พยายามจํามาเล่าพ่อฟังพ่อจะให้ครั้งละ พันขาพรรโอ้โหจากร้อยไปเป็นพันในการหู้พึงเลยนโยบายของทาง่านเสด็จีในการก็ตั้งใจไปเนี่ยตั้งใจไปฟังอยากเห็นแก่เห็นแก่กขาพะรไปก็ไม่ได้ทําไม่ตั้งใจฟังไม่รู้จะเอาอะไรไปเล่าให้พ่อฟังเลยก็เลยต้องตั้งใจฟังฟังไปฟังมาฟังไปฟังไปฟังไปจิตกับธรรมชาติของธรรมะเนี่ย มันเป็นธรรมชาติที่มันเข้ากันฟังไปฟังไปจิตเข้าถึงกระแสธรรมเนี่ยวันที่ได้ธรรมะเนี่ยกลับไปอายพ่อเห็นความฉลาดของพ่อเกิดความรู้สึกละอายโอ้เข้านี่งโง่เหลือเกินต้องคอยจ้างพอจิตมันเข้าถึงความสุขเท่านั้นแหละไม่ไม่ต้องบอกแหละโอ๊ยวันนั้นไปไม่ไม่ไม่กล้าไปเอาเลยเงินพันบาทเนี่ยเอ๊ะวันนี้ลูกการเราไปไหนเนาะ พ่ออะไรทราบว่าลูกเราก็คงจะได้อะไรทำเพราะพ่อเป็นมาก่อนแล้วเผื่ถึงบริจาคทานไม่อดไม่อันนะนนาบิณิกาเศรษฐีเนี่ยถึงคราวเข้ายากมากแพงอับจนลงเพอับจนลงก็ยังให้อยู่วละห้าร้อยสำรับห้าร้อยสำรั บ, 500, รบเลี้ยงพระยาประสงค์พวกเราทุกวันนี้ไม่ถึงขนาดนั้นน่ะสมัยพุ้จการต้นต่อแท้ๆเน่ยเลี้ยงสําหรับครูบาอาจารย์พระยาประสงค์เนี่ยวละห้าร้อยสำรับห้าร้อยสำรับ 500, จนยากจนลงอาหารที่ทําบุญนี่ก็ทําด้วยข้าวปลาหักๆอาฮารไอ้พวกข้าวพวกอาหารก็น้ําส้มผักดองน้ําส้มผักดองเนี่ยมีติดมีติดธรรมเนียมในประไตรปิฎกของอินเดียเลยแหละน้ําส้มผักดองเป็นอาหารพื้นบ้านที่เขานิยมมากน้ําส้มผักดองพระพุทธองค์ทรงตรีไว้โปรยโปรยกับพระอานอนรหรือใครเนี่ย เดี๋ยวนี้ท่านเสรยทีท่านยากจนลงเน่ยท่านยังทําบุญวันละห้าร้อยสำรับเหมือนเดิมไหมเอาะวันหลังก็เสียฐีเขาก็เล่าฟังกลาบทุนยังทำวันละห้าร้อยสำรับเหมือนเดิมพี่เจ้าค้าแต่ว่าทายาทร้มนั้นอะเลวลงไม่พณีดเหมือนเมื่อก่อนไอ้คำว่าวเลวกับพันนีดเนี่ยท่านเอามาใช้เป็นคู่กันนะอาหารเนี่ยเลวลงไม่พณนนีดเหมือนเมื่อก่อนพระองค์ก็ทรงแสดง ่าก็ไม่เป็นไรท่านเศรษฐีอ่าอาหารเจริวก็ตามไม่ประนีก็ตามแต่ด้วยเหตุที่ใจเราประณีอาหารเหล่านั้นก็เลยกลายเป็นของประนีไปด้วยแน่เห็นไหยใจใจมันนําเลยใจมันนําทานทานห ย, ยาบๆแต่ด้วยเหตุที่ใจละเอียดทานกลยปลอยเป็นทานละเอียดไปด้วยนี่เราดูสิจิตใจเพราะเรื่องของจิตใจมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ ผลของทางด้านจิตใจมันไม่ใช่ให้ผลหนึ่งสองสามให้ผลร้อยเท่าพันทวีเอาอะไไปคูณมันจะได้ผลร้อยเท่าพันทวีเพราะฉะนั้ น, นท่านจริงไม่ประมาทนะคิดอากุศลแก้ ก, ก็ตามให้ผลร้อยเท่าพันทวีคิดมหากุศลดแก้ ก, ก็ตามให้ผลร้อยเท่าพันทวีอือากุศลเราเพิ่มเพิ่มเเเระเบิดออกมาแล้วให้ผลยิ่งใหญ่ให้ผลในอัตภาพในโลกมนุษย์นี้พอทำเนา ไปในปารโลกน่อยิ่งใหญ่ตกระนรกหมกไม่อาเวจีมหารนรกโอ้ยเนื่นนานเสียวลามากมายม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่มันไม่ใช่แค่หาแค่สิบเหมือนอย่างที่เรานับนับกันทําไมอันสองยิ่งใหญ่เลอะเกินทั้งคุณทั้งโทษอันสองห้องใจทําไมมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเพราะทุกอย่างมันสําเร็จอยู่ที่ใจเราตั้งเจตนากึกคนนี้ฆ่าเขาก็ต้องตายตั้งเจตนากึกคนนี้พ้นโทษ เขาก็รอดตายแค่ตั้งใจตั้งใจแ ค, แค่เจตนานี่คือผลอั น, นิสงส์ของใจมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เพราะฉะน้ผลอั น, นิสงส์อย่างอื่นก็ตะก็เหมือนกันแหละพวกเราปุถุชนเราตั้งใจปฏิบัติธรรมพอจิตของเราละเอียดเข้าถึงอริยธรรมแล้วจากปุถุชนเนี่ยเพิ่เดียวเป็นพระ อ, อริยชน สิ่งที่เคยเกี่ยวข้องผูกพัพนกับจิตของเราให้ห่วงของวันู่นนี้ทุกข์ยากสารบักอลไรมันตกไปหมดมันเลี่ยงกล่าวไปหมดนะช่วงขณะจิตต้องแยกทางความเพียรมาตั้งแต่หัวดําหัวงอจนงอมใกล้จะตายแล้วเวลาบรรลุธรรมกึบ๊บเดียวช่วขณะจิตเดียวนั่นะช่วขณะจิตเดียวให้ผลร้อยเท่าพันทวีจากทุกภัยวัฏสงสารเต็มหัวใจทานกระเด็นออกไปนี่ เพราะฉะนั้นการที่เราตั้งเจตนาที่เป็นกุศลก็ตามอกุศลก็ตามให้พึงระวังมันเกิดขึ้นแต่ละขณะของจิตของเราเนี่มันยิ่งใหญ่มันยิ่งใหญ่เงีย้ยถึงขีดถึงขั้นด้วยเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งหนึงมันก็สําเร็จสําเร็ จ, เ, รจเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นกรรมหยาบช้าหรือเป็นกรรมที่เลิะที่ประเสริฐขึ้นอยู่กับการตัดสินใจปุ๊บเดียวนี่ต้องด้าน จ, จิตใจ เพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจจึงเป็นเรื่องใหญ่จึงเป็นเรื่องสำคัญเราจะไปดีมาดีอะไรดีก็ต้องใจดีใจดีต้องมาจากพฤติกรรมที่ดีพฤติกรรมที่ดีก็ต้องสํารวมจิตใจดีวิ่งทางวิ่งเข้าหาศีลวิ่งเข้าหาธรรมวิ่งเข้าหาตรอบจํากัดที่พระพุทธเจ้าท่านจํากัดให้เราไม่อย่างนั้นใจของเราเนี่ยมันมันเคว้งคว้างมันไม่มีมันไร้ไร้เขตไร้ขอบเขต ไร้พรมแดนจิตของคนไอ้ไร่พรมแดนยุคไอทีมายุคคนไอ้ไร่พรมแดนแต่จิตของคนไี้ไร้พรมแดนมากไหมมหาศาลยิ่งกว่านั้นเราต้องการจะพ้นทุกข์ตามพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราไม่เดินตามรอยท่านเนี่ยไปไม่ได้ดอกพอเราตั้งใจจะเดินตามท่า น, ท, านท่านจะคิดวงให้เราเดินนี่นะทานนะนี้ศีล น, นะมีสมาธินะนมนะนีปัญญานะท่านคิดกรอบจํากัดให้เราเดิน สเปสะปะตามเรื่องของเราเนีไปไม่ได้ดอกต้องเดินตามท่านนี่พระศาสนาจึงเป็นหลักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําคัญที่สุดอุบัติเกิดขึ้นมายิ่งกว่าพระอาทิตย์เป็นหมื่นหมื่นแสนแสนล้านล้านดวงมาส่องความมืดในใจของคนของสา้สว่างประจําได้พระองค์มีพระสาวกหกสิบองค์ส่งพระสาวกไปประกาศศาสนาพวกเธอจงรีไปจงรีไปจงรีบไ ป, บไปเอาธรรมะ ไปบอกไปสอนไปดับไฟในหัวใจของคนทําให้หัวใจดวงนั้นอ่ะมืดมาเป็นกลับเป็นกันเขาจะได้ใสสว่างขึ้นมาน่ะไปให้ซ้ํากันไปที่ละแหง่งที่ละทิศละแหง่งละแหง่งละแห่งละคนละคนละคนคนไปเพื่อประกาศศาสนาแพร่กระจายไปเร็วที่สุดนี่ผู้ที่ท่านเห็นโทษเห็นภยัยเห็นถึงจิตถึงใจเห็นคุณเห็นโทษเห็นอยากถึงจิตถึงใจ แค่ท่านบารมีจัดสินให้เรานี่เห็นอยากถึงจิตถึงใจฆ่าสัตว์ออ้เห็นโทษเห็นภัยอย่างถึงจิตถึงใจหลักทรัพย์เห็นโทษเห็นภัยอย่างถึงจิตถึงใจประพฤติผิดประเวณีผิดผัวผิดลูกผิดเมียของคนอื่นเนี่ยเห็นโทษเห็นภัยถึงจิตถึงใจแถมจะถึงจิตถึงใจพวกเราหรือไม่เท่านั้นเองเนี่ยผู้ที่ท่านบัญญัติขึ้นมาเนี่ยออ้ยถึงจิตถึงใจของพระองค์แท้ๆแหละพูดเท็จพูดหยาบโอ้ทําไมทําไมผลร้ายขนาดนั้นน่ะ ดื่มสราไม่ไรอันนี้ตัวนี้ตัวทําลายสติของตัวเองนนเนี่ยสินข้อห้าเนี่ยเรามาคิดดูแล้วเนี่ยถ้าเราไม่สามารถจะอยู่ในวงกรอบจํากัดแค่สินห้าชูไม่ได้มันก็ไปตามพระองค์ไม่ได้ท่านแหละศินห้าเรายังค้างแต่แกรงทะเลอะเธออยู่ว่ามันร้อนมันละเอียดมันคือใจมันหยาบใจมันไม่ละเอียดแต่แกรงสินห้าก็ยังค้างทะเลอเธออ่าจิดละเอียดขนาดไหน มจะลอดไป ล, ลอดลอดลอดจนสุดลอดทะลุโลกไปเลยนะโลกุตระทะลุโลกใจมันละเอียดแต่ใจพวกเรามันหยาบแค่จะแกล้งสินห้ายังค้างซะเลยเธอรักษามไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ความหมายไม่ต้องพูดถึงสินแปดไม่ต้องพูดถึงสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดแต่มันก็ยิ่งใหญ่ไปจากสินห้านะเพราะสินห้ามันเป็นสินแม่ บ, บทเลยแหละใครจะเห็นพระพุทธเจ้าบัญญตัติศินมาน่ะเพื่อมาํากักบที่กาย กายกรรมมัมมัญจ์มัญจ์มากกรรมกับที่วจีวจีกรรมยังเหลือมโนกรรมก็คือสมาธิศินสมาธิปัญญาสมาธิปัญญามันเป็นเรื่องของต่างๆด้านจิตใจ ย, ยามหยุดใจให้นิ่งแล้พิจารณาดูให้ละเอียดละอ่ทีท่วนเนี่ยเรื่องของปัญญาด้วยเหตุที่เราไม่ทราบข้อเท็จจริงเราจรึงหลงหลงยึดหลงถือหลงสารพัดแท้ที่จริงคือหลงกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่เรามีที่เราเป็น พวกเราเนี่ยหลงธรรมชาติเพลินธรรมชาติคาว่าหลงนี่มันไม่รู้สึกตัวดอกคาว่าหลงนี่ไม่รู้สึกตัวต่อเมื่อจะรู้สึกตัวต่อเมื่อหายหลงหายหลงปั๊บโอ้เราจะรู้ว่าเราหลงโมหะคือความหลงรู้ได้ไหมมันเส้นผอมบางภูเขาอะ่ะรอบโลบโลบโลบเราเอ้ยถ้าเราไม่เอาโลกถ้าเราไม่เอามอจะได้เลย เนี่ยเราไม่ทันมันอ่ะเพราะหลงอ่ะ discretion. ถึงโลกเพราะหลงมาถึงโกรธถ้าไม่หลงก็จะเห็นอยู่เห็นอยู่ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นเป็ น, น, นสิ่งนั้ น, น, น, น, นเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นสิงนั้นเป็นนั้นทําไมเราต้องอยากได้เขาทําไมเราต้องอยากได้เสียถึงความโลภนี่เป็นที่มาของความโลภเพราะมันหลง เวลาทาให้เราเจอเราเจอระเบียรจระเบัญร์ก็คือมาตื่นรู้รู้อันนั้นเป็นนั้นนั่นเป็นนั้นนั่นเป็นนั้นนี้เป็นนี้แต่เราเดิมนะของความหลงเนี่ยเป็นอันเดียวกันเลย <c oughs> เป็นอันเดียวกันเลยรู้ตัวง่ายไหม <c oughs> ไปตรวสอบดูตัวเองรู้ตัวง่ายไหมใครที่ฝึกหันมามากก็จะรู้ตัวได้ง่ายเร็วขึ้นอยู่ในท่าที่ที่เราตั้งใจปฏิบัติก็จะรู้ตัวง่ายขึ้นผู้ที่ไม่เคยเลยเนีย่ไม่เกี่้านั่งภาวนานะ โอ้โหจิตมันว่อนไปไหนมันหาที่จอดหาที่ลงไม่มี <c oughs> มันไม่ง่ายหละท่า <c oughs> นจึงให้ฝึกเอาไว้การที่เราฝึกเอาไว้เวลาขับขันใกล้จะตายเนี่ยฝึกได้ยังไงมันก็ได้ผลอย่างนั้นจิตจะงบไปดีไปสุขนิสติมีปัญญาดีไปสู่สุกติฝึกเอาไว้ฝึกผลอบรมเอาไว้ ทำไมท่านจะไม่ให้ทานมันเกื้อกูลกันให้ทานเกื้อกูลอ่าก็เหมือนที่อะไรที่อะไรนะที่อะไรนะชื่อน่ะชื่อทิติทิติกิติทิติ จิตติมือนย่งจิตติพันวานะี่ยสับหรุดให้ความสําคัญในการให้ทานเห็นผลเห็นเนี่ยในสมการให้ทานเราลู้นให้ฉลุไปแล้วการให้ทานให้ผลอายุมีอายุได้เพราะใส่ไฟวันณนะผิวพันสุขะภาระปฏิพานปฏิพานก็คือปัญญาอาหารรับทานอาหารเข้าไปเพิ่มพลังเพิ่มสติเพิ่มปัญญา เอาสติอปัญญาไปสร้างคุณสร้างประโยชน์สร้างนู้นสร้างนี้เอาไปประพฤติไปปฏิบัติทําอะไรแต่ไรคนที่ถวายทานถ้ามองให้ทะลุจะเห็นอันนี้สองอย่างนี้อ๋อนำมาซึ่งความสุขผู้ที่ท่านเอาไปบริโภคทำให้เขาเขามีอายุมีวันนะามีความสุขมีกาลังกํ <c oughs> าลังสิ่งเหล่านี้เพิ่มมาสิ่งกําลังกําลังกายกําลังสติปัญญาปฏิภาณ อั็นอ น, นิสงฆ์กกับติดตัวอั น, นิสงฆ์เรานี้ ค, คือผลสดๆร้อนๆที่ทําให้เรามองเห็นมองเห็นเหตุแล้วก็มองเห็นผลคิดว่าเป็นกาลังใจกับพวกเราอ่าแล้วก็สร้างทําโอกาสให้เกิดขึ้นมีขึ้นสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องขอดอกความดีทั้งหมดเหล่านี้แหละเป็นพรปีใหม่ปี่ก่า ท, ทํำไปเถอะเอทัา้ากๆชีวิตนี้น้อยอายุนี้ก็น้อย สบเดียบพิสังรารชีวิตนี้น้อยนักแต่สำคัญนักสำคัญรู้จักสร้างโอกาสให้กับตัวเองเท่านั้นเองคนที่ประมาทหมดจะสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก็มานั่งสรบหลูไม่เห็นได้อะไรไปสนุกไปกินไปเล่นทะเละบาะแวง้งโอ้สรารพาพไปดูเถอะปวดหัวเลยแหละนู่นนั่งรถมาเ็าเปิดข่าวไว้ดูเดี๋ยวขาแกงโด น, นข่ากันทุกนสารภาพช่งไปหมด เรามาทราบข่าวจะเรื่องการสร้างคุณงานความดีอย่างเี้ยมันเพิ่มคุณค่าทำแนวโน้มทาให้จริของเราเกิดแนวโน้มโน้มเอียงมาเพื่อบุญเพื่อผู้ส่วนมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ให้พอห่อในทีนี้